เรื่องอุปชามีพรรษาเดียวให้กุลบุตรบวชข้อเจสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายมีพรรษาหนึ่งบ้างมีพรรษาสองบ้างให้สัต ธ, ธิวิหาริกอุปสมบทแม้ท่านพระอุปเสนวังคันตะบุตรมีพรรษาเดียวก็ให้สัต ธ, ธิวิหาริกอุปสมบทท่านออกพรรษาแล้วมีพรรษาสอง ได้พาสัตว์ทวิหาริกมีพรรษาหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งนั่ที่สมควรอันการที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปราศัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลายนั่นเป็นพุทธประเพณีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอุปเสณวังคันตบบุตรว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือ เธอเดินทางมาโดยไม่ลำบากหรือท่านพระอุปเสศวังคันตบุตรกราบทูลว่ายังสบายดีพระพุทธเจ้าข้ายังพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์เดินทางมาโดยไม่ลำบากพระพุทธเจ้าข้า